ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงการมีอยู่ของวิมานจริงหรือไม่ถามในพระไตรปิฎกกล่าวถึงการมีอยู่ของสวรรค์และวิมานจริงๆหรือเปล่าครับตอบมีอยู่ในพระไตรปิฎกจริงครับถ้าพูดถึงสภาพวิมาน โดยมากจะเป็นการไปเยี่ยมสวรรค์ของเหล่าพระอระหันต์และจะเป็นการกล่าวถึงวิมานโดยความเป็นผลของกรรมเสมอกล่าวคือไม่ใช่เทวดานางฟ้าองค์ใดจะได้วิมานมาลอยๆแต่และ ว, วิมานปรากฏขึ้นเพราะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนที่ต้องบันทึกว่าเป็นการเห็นสวรรค์ของพระอระหันต์ก็เพื่อช่วยเป็นประกันในทางหนึ่ง ว่าการเห็นนั้นเป็นของผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมิใช่การหลงเห็นนิมิตปลอมๆของผู้ยังมีจิตเกลือกลัวด้วยกิเลสและเมื่อฟังการบรรยายแล้วเราก็จะได้เห็นข้อแตกต่างชัดเจนว่ามิใช่สถานที่บนโลกมนุษย์มิใช่การเปรียบเปรอยอุปมาอุปไมยอย่างแน่นอนขอยกตัวอย่างการเห็นของผู้เป็นอารหันด้วย และนับเป็นผู้เลิศในการพันรนาด้วยท่านคือพระเถระมีนามว่าวังคีสะซึ่งสามารถคิดคำขึ้นผูกประโยคได้สละสลวยงดงามกินใจแม้พวกเราฟังโวหารอันวิจิตรในวันนี้ก็ยังต้องยอมรับความเป็นมหากวีของท่านอยู่กับทั้งจะได้ทราบรายละเอียดสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมแห่งวิมานเทพ ได้อย่างเห็นภาพแจ่มชัดด้วยครั้งหนึ่งพระวังขีศักไปเยี่ยมวิมานหลังงามของนางเทพธิดาองค์หนึ่งท่านปรารถนาจะให้นางสาธยายที่มาของวิมานหลังนั้นแต่ก่อนอื่นท่านก็สรรเสริญความเพจิตแห่งวิมานของนางเป็นอารามพบทดังนี้ดูก่อนแม่เทพธิดา อาตมาได้เห็นวิมานของท่านอันมุงและบังด้วยขายแก้วผลึกขายเงินและขายทองคำมีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้มีผลวิจิตนานาพันธ์เป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารื่นรมที่ลานวิมานเรียรายด้วยสายทองเปล่งรัศมีงามงดส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ ระดุดพระสุริยะประมาณพันทอรัสมีจำกัดความเมืดมนอนทการในฤดูใบไม้ร่วงหรือเหมือนกับแสงเปลว เ, เพลิงซึ่งกำลังลุกอยู่บนยอดเขายามค่ำคืนหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะสายฟ้าแลบโรดรุ่งฉะนั้นสมเป็นแหล่งพมนักอันเกิดแต่บุญโดยแท้วิมานนี้ลอยอยู่ในอากาศ กล้องกลางวานเป็นด้วยเสียงดนตรีอันได้แก่พินใหญ่กลองและกลางสดานผ่ากันประโคมอยู่มิได้ขาดระยะสุดทัศนาเทพพนครนเมืองพระอินซึ่งมั่งคั่งไปด้วยสมบัติทิ่สันใดวิมานของท่านนี้ก็ฉันนั้นวิมานของนางเทพธิดานี้ ฟุ้งตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมต่างๆกันได้แก่กลิ่นดอกปทุมดอกโกมุตดอกอุบลดอกจงกนีดอกขัดเขาดอกพุดซ้อนดอกกุหลาบดอกอังกาบดอกรังดอกอโศกดอกไม้ทิพย์ต่างๆที่พากันย้ํกลีบส่งกลิ่นหอมรวยรื่นตั้งอยู่ริมฝั่งสะโบกกรณีน่าเพลิดเพลินเจริญใจ รอบสระเรียงรายด้วยไม้หูกวางขนุนสัมรอและต้นไม้หอมนานาพันธ์ทั้งไม้เลื้อชูดอกออกช่อหอมหวนห้อยย้อยเกาะก่ายลงมาจากปลายใบายตาลทั้งมะพร้าวคล้ายกับขายแก้วมณีและแก้วประพานนับเป็นของทิพย์ที่อุบัติขึ้นสำหรับท่านผู้เรืองยศอนหนึ่งต้นไม้และไม้ดอกไม้ผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ในน้ำและบนบก เป็นรูปขชาติซึ่งมีบ้างที่ปรากฏอยู่ในเมืองมนุษย์และมีบ้างที่ไม่ปรากฏอยู่ในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพประจำเมืองสวรรค์ก็ได้มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานของท่านดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีขนตางอนงามอัตมภาพใคร่ถามว่าที่ท่านได้สมบัติทิพย์วิเศษเห็นป่า น, นี้ เป็นผลแห่งการประพฤติทางกายวาจาใจตลอดจนการฝึกตนอย่างไรหรือผลของกรรมเช่นใดท่านจึงมาเกิดในวิมานนี้ลำดับนั้นนางเทพธิดากล่าวตอบว่าดิฉันได้วิมานอันมีฝูงหงส์นกเกรเรียนไก่ฟ้านกกดและนกเขาไฟเที่ยวร่อนร้องไปมากับทั้งเต็มไปด้วยหมู่นกนางนวล นกกระทุงและพญาหงทองซึ่งเป็นนกทิพย์เที่ยวบินอยู่ตามลำน้ำําและยังอื่นคันนึงไปด้วยฝูงนกประเภทอื่นๆอีกได้แก่นกเป็ดน้ํานกค้อนหอยนกดูว่าวลายนกดูว่าวขาวพระคุณเจ้าขามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อนารกคามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครราชครึก ดิฉันเป็นบุตรสะพยประจำตระกูลของบ้านในเมืองนั้นชาวบ้านต่างเรียกดิฉันว่าเสสวดีดิฉันมีใจชื่นบานได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้คือได้บูชาพระาธาตุในวงเล็บกระดูกแห่งพระอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธองค์นามว่าอุปติสะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการบูชาจากทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะมากไปด้วยคุณความดีหาประมาณมิได้และดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วดิฉันบูชาพระาธาตุของท่านด้วยเครื่องสักการะหลายอย่างล้วนแต่เป็นแก้วรัตนและดอกคาครั้นดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้วจึงได้มาเกิดในดาวดึงสวรรค์ชั้นไตรทศมีวิมานในเทวโลกเป็นแหล่งพำนักถาวรเช่นนี้ สรุปคือนางเทพธิดาเคยเป็นมนุษย์ผู้หญิงนางหนึ่งนามว่าเสสวดีมีใจผูกพันกับการบูชาพระาธาตุของพระอรหันต์ใหญ่อาศัยความมีใจเริ่มใส่บูชาด้วยเครื่องศักการะอันสมควร น, นั้นเมื่อถึงเวลาขาดใจก็ได้กรรมนิมิตที่ประกอบการบูชาเป็นอาจินนำไปสู่กำเนิดแห่งเทพและสะท้อนผลชัด เป็นวิมานทิพย์อันรุ่งเรืองดังพระวงังคีสะพรรนาไว้ด้วยวิจิตอักษรแล้วนั่นเอง